สิ่งที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือสัมมาทิติความเห็นที่ถูกต้องสัมมาทิตินี่แหละเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นหัวข้อแรกในมัท ที่มีองคศาองค์ทรงเริ่มที่ส ม, มาทิฏฐิเพราะว่าส ม, มาทิฏฐินี้เปรียบเหมือนกับหัวหน้าถ้าหัวไปทางไหนลูกน้องถ้าหัวหน้าไปทางไหนลูกน้องก็จะไปทางนั้นถ้าหัวหน้าไปทางซ้ายลูกน้องก็ไปทางซ้ายหัวหน้าไปทางขวา ตรงน้องก็จะไปทางขวาเช่นเดียวกับทำอื่นๆเช่นสัมมาสังกปสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวสัมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิก็จะ ไปตามทางของสัมมาทิจิสัมมาทิจิคือความเห็นที่ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะมีความคิดที่ถูกต้องมีการกระทาที่ถูกต้องมีวาจาคือการพูดที่ถูกต้อง มีอาชีพที่ถูกต้องมีความภาคเพียนที่ถูกต้องมีสติการนรึกรู้ที่ถูกต้องและมีสมาธิความตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องถ้าเราไม่มีส ม, มาธิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิด ความคิดของเราก็จะคิดผิดการพูดการกระทําก็จะผิดอาชีพก็จะผิดความเพียรก็จะผิดการระลึกลูบ ก, ก็จะผิดการตั้งมั่นของจิตก็จะผิดสมมทิทีิคือความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่ สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะความเห็นที่ถูกต้องที่จะนำพาสัตว์โลกให้ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนำพาสัตว์โลกไปสู่นับผลนิพพานจำเป็นต้องมีสัมมาทิติ ความเห็นว่ า, าใจนี้เป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสำคัญเท่ากับใจเพราะใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะสร้าง มักผลนิพานขึ้นมาและเป็นผู้ที่จะรับผลขึ้นมาขึ้นอยู่ที่การกระทำของใจเองกานที่ใจจะไปถึงมักผลนิพานได้ใจต้องรู้จักวิธีที่จะทำให้ใจนี้เดินทางไปถึง มรรคผลนิพพานได้วิธีที่จะนำพาให้ไปถึงมรรคผลนิพพานก็คือวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรงปฏิบัติแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกนั่นก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวง การกระทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมอการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่แหละเป็นวิธีการที่จะนำพาใจให้ได้ไปสู่มรรคผลนิพพานให้ได้ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นพอมีถ้ามีความเห็นอย่างนี้แล้ว ความคิดก็จะไปตามความเห็นเคยจะไม่ทำบาปจะทำบุญทำแต่ความดีและจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อคิดอย่างนี้การกระทำก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิอ ต, ตเวณี ไม่เสพสุรายาเมางการพูดก็จะไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดอาชีพก็จะเป็นสัมมาชีพคืออาชีพที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นเช่นอาชีพค้าค่าสัตว์ก็จะไม่ทำ อาชีพที่ขายอาวุธขายเครื่องดั ก, กายยาสัตว์ก็จะไม่ทำอาชีพที่ขายยาพิษขายสุรายาเมาก็จะไม่ทำนี่คืออาชีพที่ไม่ถูกไม่ควรที่จะทำทำอาชีพที่ไม่เป็นภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น เรีกว่าสัมมาอาชีว์วิชีพที่ถูกต้องแล้วความเพียรที่ถูกต้องก็คือเพียรพยายามละบาปให้หมดเพียรพยายามทําแต่ความดีเพียรพยายามชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชําระความโลภความโกรธความหลง ชาละตัณหาต่างๆคือกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญสติให้ใจหยุดคิดปรุงแต่งให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ลอยไปในอดีตไม่ให้ลอยไปในอนาคต ให้จิบอยู่กับปัจจุบันอยู่ที่ร่างกายหรืออยู่ที่อารมณ์ที่ได้กำหนดเอาไว้เช่นพุทโธพุทโธพุทโธหรือจะใช้มาราณานุสติก็เราลึกถึงความตายของสรปปรพสิ่งของสรปปรพสัตว์ของบุคคลต่างๆทั้งเขาทั้งเราเกิดมาแล้ว ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปด้วยกันนี่คือเรียกว่าสัมมาสติคือการตั้งสติระลึกในสิ่งที่จะทำให้ใจหยุดคิดปรุงแต่งหยุดอยากหยุดโลภหยุดโกรธหยุดหลงเรียกว่าเป็นการเจริญสัมมาสตเิเมื่อเจริญสัมมาสติแล้วใจก็จะเข้าสู่สัมมาสมาธิคือเข้าสู่ ความสงบความว่างความเป็นสักแต่ว่ารู้ความเป็นอุเบกขาที่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิถ้าใจยังไม่ถึงจุดนี้เช่นระหว่างที่จะเข้าไปสู่จุดนี้อาจจะได้เห็นได้ยินได้รับรู้อะไรต่างๆก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้ ให้ภาวนาต่อไปให้เจริญสติต่อไปให้อยู่กับอารมณ์ที่ได้กำหนดไว้จนกว่าจิต จ, จะรวมเข้าเป็นเอกคพกตารมรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุบเบกขากับความว่างปราศจากความคิดตุงแต่งปราศจากภาพหรือเสียงหรือแสงอะไรต่างๆหรืจะเรียกว่าเป็นสัมมา สมาธิเพราะสมาสมาธินี้เป็นฐานกำลัง <c oughs> ของใจถ้าใจไม่ได้เข้าถึงฐานนี้ <c oughs> ใจจะไม่มีกำลังต่อสู้กับกิเลสตัณหาที่เป็นข้าศึกษัตรูที่เป็นผู้จุดลากจิตใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิด ถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดอยากจะเข้าสู่พระนิพพานจําเป็นจะต้องต่อสู้หรือทําลายกิเลสตัณหาต่างๆทุกครั้งที่เกิดความโลภความโกรธความหลงทุกครั้งที่เกิดการมตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ปัญญา และสมาธิทำลายถ้าไม่มีสมาธิมีปัญญาปัญญาจะไม่มีกำลังที่จะฆ่ากิเลสได้ฆ่าตัณหาได้ต้องมีสมาธิปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิที่เห็นว่าความโลภความโกรธความหลงความอย่างนี้เป็นผู้ที่สร้างความทุกข์ให้แก่ใจ เป็นผู้ที่ฉุดลากใจให้ไปเวีนวยนไหวตายเกิดถ้ารู้ด้วยปัญญาแต่ขาดสมาธิอย่างนี้เรียกว่ายัางไม่ใช่เป็นภาวนามยปัญญาเป็นเพียงสุตตะมย์ปัญญาเช่นปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังหรือจินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดค่ายควรแต่ ถ้ายังไม่สามารถหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงหยุดตัณหาความอยากต่างๆได้ก็ยังไม่ใช่เป็นภาวนามายปัญญาภาวนามายปัญญาจึงต้องมีสัมมาสมาธิก่อนจิตต้องเป็นอปปนาจิตต้องรวมลงเป็นเอขะกขตตารมสักจะวารุ ขณะที่จิตรวมนี้จิตจะปล่อยวางขันทั้งหมดนจิตจะปล่อยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะปล่อยขันห้าอยู่ตามลําพังเหมือนกับแยกกันเคยเป็นสองคนเป่นเคยเป็นสามีภรรยากันพอเข้าสู่อภปนาก็เหมือนแยกอยู่กันคนละบ้านสามีไปอยู่บ้านหนึ่งภรรยาไปอยู่บ้านหนึ่ง สามีจะเป็นอะไรภรรยาไม่เดือดร้อนเอภรรยาเป็นอะไรสามีจะไม่เดือดร้อนต่างฝ่ายต่างอยู่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิไม่วุ่นวายไม่วิตกไม่กังวลไม่มีอารมณ์อะไรกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพถรไม่มีเวทนาไม่มีอารมณ์กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีอารมณ์กับร่างกาย ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจะเป็นอย่างไรจะไม่เป็นปัญหากับใจในขณะที่อยู่ในสมาธินี่นนแหละคือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้ามีสัมมาทิฏิถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิเช่นถ้าไม่เคยได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะไม่ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้ก็จะไหลไปตามกระแสของโมหะอวิชชาหลังที่ได้แสดงไว้ในปัจจายการหรือปฏิปฏจิจจสามุบบาทอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจายาวิญญาณวิญญาณปัจจายานามรูปรูปะแล้วก็ออกไปทาง อายัตนาะออกไปทางเวทนาตัณหาออกไปทางภาวะออกไปทางเกิดแก่เจ็บ ต, ตายเวียนว่ายตายเกิด น, นี่คือจิตที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิจิตที่มีมิจฉาทิฏฐิคือมีอวิชชาเป็นผู้นําพาอาวิชชาก็จะพาให้จิตออกไปหาความสุข ที่เป็นความทุกข์แต่จิตถูกอวิชชาหลอกให้คิดว่าเป็นความสุขออกไปหารูปเสียงกลิ่นรส พ, พุทพะออกไปหาสุขเวทนาแล้วก็ออกไปหาตัณหาแล้วก็ออกไปเกิดอุปทานไปสู่ภาวะไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายซ้ําแล้วซ้ําอีก เวลามีเวลาจิตอยู่เฉยๆไม่ได้เช่นมาเก็บตัวอยู่เปรกวิเวกถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้สู้ตันหาไม่ได้สู้อวิชชาโมหะไม่ได้ก็จะถูกอวิชชาโมหะหลอกให้ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกมือกายแล้วก็จะมีความผูกพันกับความสุข นั้นไปเรื่อยๆเศรเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอก็จะเกิดตันหาความอยากที่จะเสพอยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าร่างกายนี้จะตายไปความอยากที่จะเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ยังไม่หมดไปพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่ พอไปเกิดใหม่แล้วก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่นี่คือลักษณะของผู้ที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิของผู้ที่ไม่ได้เข้าหาพระพุทธศาสนาไม่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นอย่างนี้แทนที่จะเข้าวัดก็จะไปเข้าแหล่งบันเทิงต่างๆ ไปตามสถานที่ที่มีรูปเสียงกิ่นรสผดสะพะในวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยคนส่วนใหญ่ไปไหนกันอ่าไปสถานบันเทิงไปสถานท่องเที่ยวไปสถานช้อปปิง้งซึ่งช้อปปิ้งนี้ก็มีทั้งส่วนที่จำเป็นแนละส่วนที่ไม่จำเป็นส่วนที่จำเป็นก็คืออาหาร ยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยถ้าไม่มีก็ต้องไปหาซื้อมาอันนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาแต่ถ้าไปหาซื้ออย่างอื่นที่ไม่จำเป็นเพื่อที่จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาอยู่บ้านเฉยๆแล้วหนวดเหยิดลำคาญใจออกไปเดินตามห้างสรรพสินค้า ซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อรองเท้าใหม่ซื้อกระเป๋าใหม่เพื่อจะได้เกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นการหาความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงการเป็นการไปหาความทุกข์มากกว่าเพราะต่อให้ได้ซื้อมามากน้อยเพียงไรความสุขนั้นก็จะอยู่เพียงเดียวเดียว แล้วก็จะหายไปแล้วก็จะทำเกิดทาให้เกิดความอยากหาความสุขแบบนี้ใหม่ก็จะต้องออกไปหาซื้ออยู่เรื่อยๆซื้อสิ่งนั้นมาซื้อสิ่งนี้มาซื้อมาได้มากได้น้อยก็ไม่อิ่มไม่พอตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาหาร่างกายใหม่นี่คือลักษณะของผู้ที่ มีมิจฉาทิฏฐิคือมีอวิชชาปัจจยาสังขาราผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิก็เป็นผู้ที่มีธรมมาปัจจยาสังขารามีธรรมะนำพาว่าอย่าออกไปหาความสุขข้างนอกอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะมันเป็นความสุขกลอมมันเป็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสุข อย่าออกไปให้กลับเข้ามาให้ดึงใจกลับเข้ามาด้วยสัมมาสติจเจริญสติให้มากๆดึงจิตให้เข้าข้างในอย่าปล่อยให้จิตออกข้างนอกถ้าไม่มีสติแล้วจิตจะปรุงแต่งพอปรุงแต่งแล้วก็จะคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็จะเกิดความอยากกับสิ่งเหล่านั้น ถ้าไม่ได้คิดถึงเรื่องราวต่างๆถึงบุคคลต่างๆถึงสิ่งต่างๆจเจริญอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือการเจริญมรน า, านุสติจิตก็จะไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆเมื่อไม่คิดก็จะไม่เกิดสรรหาความอยากที่จะออกไปหาความสุขกับเรื่องราวต่างๆกับบุคคลต่างๆกับสิ่งต่างๆ จิตก็จะเข้าข้างในเข้าสู่อัปปนาเข้าสู่ความสงบรวมตัวเป็นหนึ่งเรียกว่าสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาแล้วก็ได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายที่ทรงตัดไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังไม่มีสุขการใดที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ ก็คือสัมมาสมาธินี่นี่แหละถ้ามีสมาทิฏฐิแทนที่จะไปตามห้างตามร้านต่างๆตามแหล่งบันเทิงต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะมาวัดกันมาวัดก็มาปฏิบัติตามขั้นตอนที่สามารถจะปฏิบัติได้บางท่านก็มาฟังเทศฟังธรรมไปก่อนเป็นการเริ่มต้น บางท่านได้ฟังเทศฟังธรรมมาอย่างโชคชนรู้ว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรก็เริ่มปฏิบัติเริ่มปฏิบัติไปอย่างต่อเนื่องคือเก็บตัวสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกิ้นกายไม่ออกไม่สง่งจิตให้ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกิือกายพยายามเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับ ให้จิตเป็นอารมณ์เดียวเพราะการมีอารมณ์เดียวนี้จะทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งได้พอจิตรวมเป็นหนึ่งก็ได้พบกับความสุขที่แท้จริงพอได้พบกับความสุขนี้แล้วขั้นต่อไปก็ต้องพยายามรักษาความสุขนี้ไว้ให้อยู่ไปเรื่อยๆวิธีที่จะรักษาก็ต้องใช้ปัญญาคอยปกป้อง เพราะจะมีสิ่งที่จะมาทําลายความสงบความสุขอั น, นี้เวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วนั่นก็คือความอยากต่างๆดังนั้นพอออกจากสมาธิมาแล้วถ้าปล่อยให้ใจไปคิดตามความอยากความสุขที่ได้ก็จะหายไปถ้าอยากจะให้ความสุขที่ได้จากสมาธิยังคงอยู่ต่อไป ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากอย่าไปทำตามความโลภทำตามความโกรธเพราะจะทำให้ความสงบนี้หายไป <Yeah. S 1> และสิ่งที่คิดว่าจะให้ความสุขกับเราก็สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้เพราะเป็นความสงบเดี๋ยวเดียวชั่วคราว ฉันออกมาแล้วก็อยากจะดื่มเครื่องดื่มชนิดต่างๆทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องดื่มถ้าอยากจะดื่มเพื่อร่างกายก็ให้ดื่มน้ำเปล่าๆไปแต่ถ้าอยากจะดื่มรสอยากจะเสพรสของเครื่องดื่มอย่างนี้แสดงว่าเป็นกามมตัญหาแล้วเป็นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะ เช่นอยากจะดื่มกาแฟอยากจะรับประทานขนมนมเนยอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าแล้วมันจะเป็นอย่างไรได้ดื่มแล้วมันก็เป็นอย่างไรมันก็สุขเดียวเดียวสุกเดียวเดียวแล้วเดียวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่เวลาไม่ได้ดื่มก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้าเราฝืนไม่ทำตามความอยาก ความอยากก็จะสงบตัวลงไปความสงบที่ได้จากสมาธิก็ยังจะคงอยู่ไว้ไม่หายไปนี่แหละเป็นการใช้ปัญญาต้องพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ความอยากต้องการนั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความทุกข์ถ้าไม่ได้หรือสูญเสียไป ได้มาแล้วเสียไปก็จะความสุขที่ได้มาก็จะหายไปสิ่งที่ได้ทดแทนมาก็คือความทุกข์ใจเช่นอยากจะไปอยู่กับแฟนอยากจะมีแฟนอย่างนี้เวลาได้อยู่กับแฟนก็จะมีความสุขใจแต่เวลาที่แฟนจากไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา แล้วไม่ชาก็เร็วสักวันหนึ่งก็ต้องมีวันพัดภาคจากกันเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวร่างกายเราก็เป็นของชั่วคราวร่างกายของแฟนเราก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเขาก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปพอเราไม่ได้อยู่กับเขาเราก็จะมีความว้าเหวเศร้าส้อยหงอยเหงา เราก็ต้องไปหาแฟนใหม่หามากี่คนมันก็จะเป็นแบบเดียวกันหามาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันอย่างที่เราเคยหากันมาแล้วไม่นับไม่ถ่วนพอเราตายจากโรคนี้ไปเราก็ไปหาร่างกายใหม่ได้ร่างกายใหม่แล้วเราก็ไปหาแฟนใหม่พอแฟนจากเราไปถ้าเรายังอยู่ต่อเราทนอยู่คนเดียวไม่ได้เราก็ต้องหาแฟนใหม่ หาไปจนกว่าเราร่างกายของเราจะตายไปแต่ความอยากของเราก็ยังไม่หมดไม่ได้ตายไปกับความตายของร่างกายก็จะไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่พวกเราที่มาเกิดนี่ไม่ต้องมีใครสอนเรื่องการหาแฟนทุกคนนี่อยากจะหาแฟนกันทั้งนั้นอยากจะมีแฟนกันทั้งนั้นคนที่ไม่คนที่ไม่มีแฟนกลับกลายเป็นคนแปลกไป แต่เป็นคนที่ฉลาดเพราะรู้ทันรู้โทษของการมีแฟนรู้โทษของของของความอยากมีแฟนว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์ที่แท้จริงมากกว่าผู้ใดก็ตามถ้าไปหาสิ่งต่างๆตามความอยากนั้นจะต้องเจอความทุกข์อย่างแน่นอน แต่อ ย, อยาจะเจอช้าหรือเจอเรอ็วเท่านั้น <Yeah. S 1> บางคนก็เจอเร็วหม้เข้าวยังไม่ทันดาก็ทุบตีกันแล้วทะเลาะกันแล้ว <Yeah. S 1> อยาล้างกันแล้ว <Yeah. S 1> บางคนก็ไม่ได้ทุบตีกันร่ากันแต่ก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมารถความตายไปก็มีเครื่องบินตกก็มี yeah. อันนี้ก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเป็นความทุกข์เหมือนกัน พอเกิดแล้วพอต้องจากกันปับ๊บมันก็หมดไปความสุขที่ได้ร่วมกันก็หมดไปนี่แหละเป็นปัญญาที่เราต้องพยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เราอยากได้อะไรพิจารณาสิ่งที่เราอยากว่ามันไม่เที่ยงมันไม่อยู่กับเราไปตลอดมันจะไม่ให้ความสุขกับเราไปตลอดมันจะต้องมีวันหนึ่งที่มันจะไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเราได้ เราเราก็ไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้บางทีเขาก็ก็กลับมาให้ความทุกข์กับเราก็ได้ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะตัดความอยากได้ซอยู่กับความสงบดีกว่าความสงบนี้เราสามารถสั่งได้สั่งให้มีได้ตลอดเวลาถ้าเรามีเครื่องมือคือสติ ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราไม่ให้ไปคิดกรุงแต่งไม่ให้ไปอยากกับเรื่องราวต่างๆใจของเราก็จะสงบจะจะสบายจะเย็นจะไม่หิวจะไม่ต้องการอะไรนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงแต่ก่อนที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้จริงอันนี้ได้ก็ต้องผ่านความทุกข์ที่แสนสาหัสความทุกข์ที่เกิดจากการต้องต่อสู้ กับความอยากต่างๆความอยากคิดนี้ก็เป็นศัตรูพยายามจะให้คิดแต่พุโทโธพุโทโธมันก็ไม่ยอมมันจะคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนกับต้องต่อสู้กันเหมือนกับการชักกระเยอะกันถ้ามีการดึงกันทั้งสองฝ่ายมันก็จะมีความเหนื่อยฝ่ายเขาก็ดึงไปทางเขาฝ่ายเราก็ดึงมาทางเราขณะที่มีการดึงกันนี้ก็ มีความตึงเครียดมีความเหนื่อยเวลาที่เราภาวนาแต่ละครั้งจเจริญสติแต่ละครั้งนี้เราจะรู้สึกว่าเครียดขึ้นมาทันทีเวลาที่เราปล่อยให้ใจคิดไปตามอารมณ์ไปตามสบายนี้รู้สึกสบายแต่พอมังครับให้นั่งเฉยๆปั๊บนี้จะเครียดขึ้นมาทันทีไม่ให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พุโทโธพุโทโธเพียงอย่างเดียวก็จะเครียดขึ้นมาทันที เพราะว่ากิเลสมันไม่ยอมมันไม่ยอมมันต้องการจะคิดไปตามเรื่องของมันคิดเพื่อหาความสุขกับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้แล้วพอมีความสุขกับความคิดแล้วก็เกิดความอยากที่จะไปหาความสุขแบบนั้นต่อก็ต้องพาร่างกายไปหาสิ่งที่อยากได้พอได้มาแล้วก็สุขบ้างไม่สุขบ้าง เราเดี๋ยวก็ไม่สุขเลยพอสิ่งที่ได้มาดับไปหมดไปนี่แหละเป็นเรื่องของผู้ที่ไม่ได้เข้าหาพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างนี้จะถูกโมหะอวิชชาฉุดลากให้ออกไปหาลูกเสียงกลิ่นรสโพธิภาด้วยความอยากต่างๆแล้วก็เกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นของเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆเป็นของเราเป็นนานๆพอไม่เป็นก็เกิดความทุกข์ใจเสียใจแล้วก็ต้องไปหามาใหม่ถึงไม่จะทุกข์ขนาดไหนก็ไม่เข็ดไม่จำแทนที่จะหยุดแทนที่จะบอกว่าพอแล้วหามากี่ครั้งก็เจอแต่ความทุกข์ทุกครั้งหามาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปสู้หยุดหาดีกว่า มาหาความสุขตามที่พระพุทธเจ้าสอนให้หาดีกว่าก็คือดึงจิตให้เข้าข้างในแทนที่จะออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ให้เข้ามาข้างในด้วยการจเจริญสัมมาสติระล็กรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะบริกรรมพุทโธก็บริกรรมไปจะเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายของการกระทำของร่างกายก็เฝ้าดูอย่าง ต่อเนื่องจดจ่ออยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่เฝ้าดูร่างกายเวลาเดินก็เดินดูที่เท้าก็ได้เวลาทางานก็ดูงานที่กำลังทําอยู่เช่นกำลังล้างหน้าก็ดูอยู่กับการล้างหน้ากำลังแปรงฟันก็อยู่กับการแปรงฟันกำลังหวีผมกำลังแต่งตัวกำลังรับประทานอาหารดื่มน้า ก็อยู่กับการกระทาเหล่านั้นอย่างนี้ก็จะเป็นสัมมาสติเวลาที่นั่งเฉยๆไม่รู้จะดูอะไรเพราะร่างกายไม่ขยับเคลื่อนไหวก็ดูที่ลมหายใจลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ดูเพื่ออะไรดูเพื่อหยุดความคิดถ้าใจไม่มีอะไรผูกไว้ใจจะอดคิดไม่ได้ แต่ถ้าใจมีงานทำมีลมดูมีอะไรให้ทำมันก็จะไปไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอมันอยู่กับอารมณ์เดียวไม่ช้าก็เร็วมันจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่แท้จริงเข้าสู่อุเบกขานี่แหละพอเราได้อันนี้แล้วทีนี้เราก็จะรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้เองอยู่ในตัวเรา เราโง่มานานเราหลงไปหาความทุกข์ที่เราคิดว่าเป็นความสุขกันได้มาได้อะไรมาแล้วเราเป็นยังไงทุกข์กับเขาหรือสุขกับเขาเวลาได้แฟนมาแล้วสุขกับแฟนด้วยทุกข์กับแฟนสุขกับแฟนเพียงอย่างเดียวหรือว่าทุกข์กับแฟนด้วยได้อะไรมามันจะมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แต่น้ําหนักมันจะมากที่ความทุกข์ ความสุขมันเบามันน้อยมันเดี๋ยวเดียวมันนิดเดียวแต่ความทุกข์นี่มันมีอยู่แทบตลอดเวลาไหนจะทุกข์เพราะการหาเวลาหาก็ทุกข์แล้วเวลาได้มาก็รักก็ ห, วง ก, ก ว, ว, หวงก็ทุกข์อีกแล้วเวลาหวงก็ทุกข์อีกแล้วเวลาจากกันก็ทุกข์อีกแล้วมีแต่ทุกข์เป็นส่วนใหญ่สุขเพียงเล็กๆน้อยๆเวลาที่ได้มาใหม่ๆเท่านั้นเอง นี่คือสิ่งที่เราควรจะเจริญอยู่เรื่อยเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เป็นขั้นขั้นไปขั้นต้นก็ให้รู้กรอบของการคิดความเห็นของเราว่าเห็นว่าการทำบุญละบาปการชำระใจให้สะอาดบริสุทธินี้เป็นหน้าที่ของเราเป็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเรา เมื่อเรารู้กรอบนี้แล้วเราก็ควบคุมการกระทําของเราให้อยู่ในกรอบนี้ให้ทําแต่บุญให้ลาบบาสรักษาศีลห้าศีลแปดรักษาศีลสิบรักษาศีลสองร้อยยี่เจ็ดไปตามฐานะของตนแล้วก็คอยสนับสนุนให้มีการเจริญสติอยู่อย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าสู่ ความสงบความสุขที่แท้จริงพอได้ความสงบความสุขที่แท้จริงก็ต้องมีสมาทิฏิอีกระดับหนึ่งก็คือวิธีรักษาความสุขความสงบนี้ด้วยการเห็นโทษของความอยากเห็นโทษว่าเห็นว่าความอยากนี่แหละเป็นเป็นสมุทัยที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็เห็นคุณของการเห็นว่าสิ่งต่างๆไม่เที่ยงเป็นทุกข เป็นอนัตตาว่าเป็นเป็นปัญญาหรือเป็นมรกเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราหยุดตัณหาความอยากได้ดางนั้นถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเรารู้ว่ามันเป็นโทษกับเราเราก็ต้องเห็นตายรักในสิ่งที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งนั้นเห็นอะไรถ้าอยากได้ปั๊บก็ต้องบอกว่าเป็นตายรักได้มาแล้วทุกข์มากกว่าสุขเพราะว่า ต้องมีการสูญเสียต้องมีการจากกันต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเจริญและต้องมีการเสือ่อมมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีมันอยู่คนเดียวอยู่ในอัปปนาสมาธิอยู่ในสัมมาสมาธินี่แหละดีที่สุดถูกต้องที่สุดนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้อง จดจำเอาไว้ให้ดีคือสัมมาสมาทิฏฐิถ้าเรามีสมมาทิฏฐิแล้วการกระทำการพูดการปฏิบัติต่างๆก็จะไปในทางที่จะพาให้เราได้ไปสู่พานิพานตามลำดับต่อไปถ้าเราลืมสมมาทิฏฐิเราก็จะถูกวิชชาทิฏฐิหลอกให้เราไปหาการเวียนว่ายตายเกิด ไปตามกำนาของกิเลสตัณหาความอยากไปสู่สถานบันเทิ ง, งต่างๆไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปสู่การหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปสู่ความทุกข์ไปสู่ความทุกข์ที่เกิดจากความที่เกิดจากการเกิดเกิดแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตาย แต่ก็ไม่เข็ดไม่จำพอตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพราะไม่สามารถหยุดต้นเหตุที่พรมพามาให้เกิดใหม่ได้ก็คือความอยากต่างๆนี้เองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง เมื่อเราได้ความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องนำเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันของเราตั้งแต่บัดนี้ไปจะทำอะไรต้องถามก่อนว่าเป็นการทำบุญหรือเปล่าเป็นการละบาปหรือเปล่าเป็นการชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากหรือเปล่าถ้าเป็นกับถ้าเป็นตรงกันข้ามเราก็ต้องหยุดทันทีเพราะเหมือนกับเราขับรถย้อนย้อนสอนย้อนทาง ถนนเขาวันเวแล้วขับไปสวนเขาเดี๋ยวก็ชนกันแหลกนั้นเราต้องรีบกลับรถยูเทนแล้วขับไปในทางเดียวกันกลับไปในทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหลันตัสาวกทั้งหลายเดินกันไปเดินตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระอาลหลันตัสาวกด้วยการเจริญมรรคแปดด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาด้วยการเจริญทานศีลภาวนาด้วยการปีกวิเวก ด้วยการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกนิ้นกายด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญสมาธิและเจริญปัญญาแล้วผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอนพอผลนี้เกิดขึ้นจากเหตุเหตุก็คือการบำเพ็ญตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญมา ไม่ได้เกิดจากความอยากได้มรรคผลนิพพานอยากไปจนวันตายแต่ถ้าไม่เดินไปทางตามทางที่พระเจ้าและพระสาวกเดินกันก็ไม่มีวันที่จะได้มรรคผลนิพพานเหมือนกับจะไดไปกรุงเทพจากเราหานหน้าไปทางสัตหีบไปทางระยองแล้วก็เดินไปทางนั้นไม่มีวันที่จะไปถึงกรุงเทพได้ถ้าจะไปกรุงเทพก็ต้องไปตามทางที่เขาพาให้ไปถึงกรุงเทพ อย่าเดินสวนทางกันทางของพระพุทธเจ้าทางของพระอารามตถา็คือการทำบุญการละบาปการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นั้นขอให้พวกเราจดจาไว้ให้ดีฟังทมแล้วต้องจาไว้ให้แม่นแล้วทุกครั้งที่เราทำอะไรเราก็ต้องคอยตรวจ ด, ดู ก, กับคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นไปในทางเดียวกันหรือเปล่าเหมือนกับเวลาเราเดินทาง ไปในสถานที่ที่เราไม่เคยไปเราก็ต้องใช้แผนที่หรือสมัยนี้ก็ต้องใช้ GPS คอยตรวจดูว่ามันบอกให้เราไปทางไหนมันบอกให้เลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวขวาเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงนี่แหละ GPS ของพระพุทธเจ้าก็คือสัมมาทิฏฐินี่เองเอนั่นก็ขอให้จงเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ถ้าไม่มี GPS ของพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีทางไปถึงพระนิพพานได้เนี่ยพวกเราถือว่ามีบุญมีวาสนามากที่ได้มาเกิดได้มาพบกับ GPS ของพระพุทธเจ้าขอให้ใช้ GPS นี้ให้เป็นประโยชน์คือให้พาเราไปสู่พระนิพพานกันการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาถ้าท่านผู้ใดฟังเทศฟังธรรมแล้วยังไม่เข้าใจต้องการที่จะให้ขายายความในจุดใดจุดหนึ่งก็ถามได้ไม่ต้องเกรงใจไม่คิดตังค์ใครทำยังนะครับ ไม่มีกระถามทางอินเทอร์เนต็ตกันครับต่อไปเป็นคําถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์สุชาติปิชาโตและทางกลุ่มธรรมะบนเขาและทางเพจคณะสิทธิพระอาจารย์สุชาตินะครับคําถามข้อแรกจากคุณอุไรวันนะครับความแตกต่างของการนั่งสมาธิกับการวิปัสสนากรรมฐานมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรชื่อมันก็แตกต่างกันแล้ว การนั่งสมาธิก็คือการทำใจให้สงบไม่ให้คิดปรุงแต่งส่วนการนั่งวิปัสสนากรรมฐานก็เป็นการเจริญปัญญาต้องใช้ความคิดต้องคิดให้เห็นตายักให้เห็นอสุภะให้เห็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐาน การปฏิบัติสมาธิกับวิปัสสนานี้จึงต้องแยกกันอยู่คนละวาระกันไม่ใช่อยู่ในวาระเดียวกันคือถ้าเราต้องการทําความสงบเราก็ต้องไม่คิดเนี่ยเช่นเวลาเราเราต้องใช้สติเจริญสติเช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือในกรณีพิเศษคือสําหรับผู้ที่สามารถใช้ปัญญาทําใจให้ เป็นสมาธิได้ก็เรียกว่าปัญญาออลงสมาธิถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้ความคิดนะใช้ความคิดไปในทางปัญญาไปในทางไตรลักษณ์ก็จะทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องใช้การจารันสติด้วยอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกในขณะที่นั่งหลับตาแล้วพอใจรวมเข้าสู่ความสงบความคิดหยุด เหลแต่ความรู้ความว่าความสงบตอนนั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเจริญวิปัสนายังไม่ถึงเวลาเวลานั้นเป็นเวลาที่เราต้องการที่จะรักษาความสงบนั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะ ง, งานได้ด้วยการใช้สติประครับประคองไปให้รู้เฉยเฉยจนกว่าที่จะจิตจะถอนออกมาเริ่มคิดปรุงแต่งถ้าคิดปรุงแต่งแล้วถ้าเรา อยากจะกลับเข้าไปในสมาธิต่อก็ได้เราก็เจริญสติต่อดูลมหายใจต่อหรือบริกรรมพุทโธต่อก็จะกลับเข้าไปได้การที่เราจำเป็นจะต้องทำใจให้สงบมากๆนานๆเพราะว่าจะมีกำลังเหมือนกับคนที่ได้รับประธานอาหารมากๆได้นอนมากๆเวลาตื่นขึ้นมาไปทำงานนี้ก็จะมีกำลังวังชา ที่จะไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้านอนนอนได้น้อยกินน้อยแล้วต้องออกไปทำงานก็จะไม่มีเรียเร่ยวแรงมากทำได้ไม่มากก็เหนื่อยแลวหิวละดังนั้นเบื้องต้นท่นึงสอนให้พยามเจริญสติเจริญสมาธิให้มากๆให้จิตนี่มีความแน่นมีความอิ่มมีความพออยู่มากๆ แล้วค่อยออกไปทางปัญญาเวลาออกไปทางปัญญาก็ต้องรอตอเวลาที่เราออกจากสมาธิแล้วเหมือนกับร่างกายเราเราจะออกไปทำงานได้ก็ต้องรอให้ร่างกายตื่นขึ้นมาก่อนตื่นขึ้นมาแล้วเราก็อน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วเราก็ไปทำงานการไปทำงานนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน การทํางานของใจก็คือเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็ให้พิจารณาสิ่งต่างๆที่ใจยังรักยังหวงยังชอบอยู่ว่าเป็นไตรลักษณ์ว่าเป็นอสุภะเช่นถ้าเราชอบคนชอบสามีชอบภรรยาชอบคนสวยๆงามๆลูกหล่อๆเราก็ต้องพิจารณาส่วนที่ไม่สวยไม่งามเราต้องเข้าไปดู ส่วนที่เรียกว่าอสุภะเช่นดูวอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังภายใต้ผิวหนังมีอะไรก็มีเนื้อมีเอ็มเนอมีกระดูกมีอวัยวะต่างๆมีผมมีหัวใจตับปอดไตลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยเยื่อในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่และน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ามันก้นน้าตาน้ามันเหลว อะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเห็นส่วนต่างๆเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียวมันมีส่วนที่ไม่สวยซ่อนอยู่ด้วยมันก็จะทำให้เราเคลายความกาหนัดยินดีความอยากที่จะได้ร่างกายของคนนั้นคนนี้มาเป็นสมบัติของเราเนีเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน พิจารณาให้เห็นความจริงในส่วนที่เรายังมองไม่เห็นเราเห็นเพียงเรึ่งเดียวเห็นส่วนที่ทำให้เราหลงทำให้เรารักทำให้เราทุกข์เราต้องการจะเห็นส่วนที่ทำให้เราไม่หลงไม่รักไม่ทุกข์ก็ต้องเห็นอสุภะไม่สวยงามเห็นอนิจจงว่าต้องตายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นอะไรก็ของต่างๆก็ต้องมีการเสื่อมมีการเสียมีการหมดไป เราก็เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้ไปสั่งเขาได้ให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้เวลาเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราไม่ได้ดังใจเราก็จะทุกข์ใจให้พิจณาให้เห็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปใจก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเพราะไม่มีอะไรไม่เป็นอะไร อยู่เฉยๆได้ก็สบายไม่ต้องทุกกับอะไรนี่แหละคือเรื่องของกรรมฐานวิปัสสนาแต่ต้องเกิดจากหลังจากที่เรามีสมาธิแล้วหลังจากที่เรามีากําลังที่จะใช้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้เพราะถ้าเราไม่มีสมาธิเราพิจารณาไปเราก็จะไม่มีกําลังที่จะสู้มันเราว่ามันเป็นอสุภะแต่มันก็ยังอยากจะได้อยู่นั่นะ เราว่ามันเป็นอันนี้จังมันก็ยังอยากจะได้อยู่นะมันไม่กลัวเพราะความอยากมันมีกำลังมากกว่าเพราะว่ามันไม่มีความสุขในใจเวลามีสมาธินี้มันมีความสุขในใจมันถึงหยุดความอยากได้พอมันรู้ว่าไม่ได้ทำตามความอยากก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะมีความสุขอยู่แล้วมีความสงบอยู่แล้วแต่คนที่ไม่มีสมาธินี้มันไม่มีความสงบพอ อยากจะได้อะไรก็ต้องเอามาให้ได้เพราะคิดว่าได้มาแล้วจะได้มีความสุขแต่มันมีความสุขเพียงนิดเดียวแล้วมันมีความทุกข์ตามมาอีกเยอะแยะนี่แหละคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก่อนก็คือสมาธิมีกำลังมีความอิ่มใจสุขใจเป็นเป็นฐานกำลังพอเรามีฐานกำลังอย่างนี้แล้วเวลาเกิดความอยากเราใช้เหตุผลมาต่อสู้กับความอยาก ความอยากก็จะใจก็จะหยุดความอยากได้เพราะไม่เดือดร้อนไม่ทำตามความอยากก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามีความสุขอยู่แล้วที่ได้จากความสงบนี้นี่คือความแตกต่างระหว่า ง, งสมาธิกับวิปัสสนากรรมฐานคำถามข้อต่อไปจากคุณอำพันันใบเงินนะครับตาที่เห็นภาพ แล้วเกิดอารมณ์อิจฉาริษยาขึ้นมาจะาแก้ไขอย่างไรเจ้าคะก็ใช้มุติตาท่านสอนให้เจริญมุติตาคือเห็นใครเขาได้ดิบได้ดีเขามีความสุขความเจริญก็ควรยินดีไปกับเขาเวลาเรายินดีไปกับเขาเราก็มีความสุขไปกับเขาเวลาที่เราอิจฉาริษยาเราก็จะได้แต่ความทุกข์กลับมา ดั้นให้เราคิดว่าความดีของเขาความเจริญของเขาความสุขของเขาเนี่ยมันเป็นอนิสงค์ของการกระทํำของเขาเป็นผลของบุญที่เขาทามาเราจะไปอิจฉาหรือสยาแล้วก็ไปยับยั้งไม่ได้ไปห้ามไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นเรื่องของผลของบุญที่เขาทํามาเราจะอิจฉาเขาก็ยังดีอยู่เขาก็ยังสุขอยู่แต่เราจะทุกข์ไปเปล่าๆโดยใช่เหตุแต่ถ้า เรายินดีกับเขาชื่นชมยินดีกับเขาเราก็จะไม่ทุกข์หรือว่าถ้าเราชื่นชมยินดีไม่ได้เราก็ต้องหัดทําใจเป็นอุเบกขาแทนทําใจวางเฉยเป็นเรื่องของเขาเขาดีเขาชั่วก็เรื่องของเขาเขาสุขเขาเจริญหรือเขาเสื่อมก็เรื่องของเขาเราก็จะได้ไม่เป็นเดือดร้อนเพราะบางทีเราไม่อิจฉาแต่เราอาจจะไปทุกข์ร้อนแทนเขาก็ได้ เห็นคนนื่นเขาเดือดร้อนก็ไปทุกร้อนแทนเขาแล้วเราก็ไปทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเขาก็ต้องรับผลของบาป ก, กรรมที่เขาทามาที่เขาทุกข์เขาเดือดร้อนก็เพราะการกระทําของเขาทําให้เกิดผลเหล่านี้ขึ้นมาเราทําอะไรก็ทําไม่ได้เช่นบางทีทําได้แล้วก็ทําไปถ้าเราช่วยเหลือเขาได้แบ่งเบาแบ่งปันความบรรเทาความทุกข์ของเขาได้เราก็ทําไป แต่ถ้ามันอยู่ในฉีดที่เราทําอะไรไม่ได้แล้วเราไปทุกข์กับเขาเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ต้องรู้จักทําใจให้ปหนุเบกขาวางเฉยใจจะปะนุเบกขาได้ก็ต้องมีสมาธินี้คําถามข้อต่อไปจากคุณอัญชนานะครับหนูกาเรียนขอความรู้ค่ะตอนนั่งสมาธิหนูจะคอตกบ้างหลังนอบ้างและได้ยินเสียงตัวเองหายใจออก ตอนนี้หนูมีปัญหาด้วยการรับรู้ว่ามีเสียงรู้ว่าคอตกเป็นอย่างไรก็รู้บางทีหลังงอมากหนูก็เงยขึ้นไม่ทราบว่าจะปฏิบัติอย่างไรดีคะคพือไม่ควรให้ความสนใจกับอาการต่างๆเหล่านี้เวลาที่เราเริ่มนั่งแล้วขอเราตั้งท่าของเราให้ดีตั้งร่างกายให้ตั้งตัวให้ตรงแล้วก็คอไม่พับ แล้วเราก็ภาวนาให้ใจให้เราสนใจอยู่กับการภาวนาถ้าบริกรรมพุทโธก็พุทโธไปดูลมก็ดูลมไปถ้ามีความรู้สึกอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจถ้ามันจะบอกว่าคอาพับก็ปล่อยมันพับไปหลังงอก็ปล่อยมันงอไปอย่าไปสนใจถ้าเรามาสนใจที่ร่างกายเราก็จะหยุดภาวนาหยุดเจริญสติเราก็เหมือนกับไม่ได้ภาวนา เดินไปได้สองก้าวแล้วเราก็กลับมาจุดที่เริ่มต้นใหม่กลับมาที่ร่างกายใหม่ดังนั้นพอเรานั่งเราตั้งตัวดีแล้วเราเริ่มภาวานาแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจกับความรู้สึกที่จะบอกเราจริงบ้างไม่จริงบ้างบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าก็ปล่อยมันไปตามได้ถ้าเราภาวานาได้เราก็ภาวานาของเราไปดูลมได้ก็ดูไปพุดโธได้ก็พูดโธไปพอมันจะทับ หลังมันจะงอหรือมันอะไรก็อย่าไปสนใจมันไม่งั้นเราจะไม่ม่ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีวันที่จะเข้าสู่ความสงบได้เพราะมันจะกลับมาที่ร่างกายการที่ใจจะเข้าสู่ความสงบได้ต้องปล่อยวางร่างกาย <S <S <S <S นี่นเวลาเราเริ่มภาวนานี้เราทําความเข้าใจไว้ก็ต่อไปนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับร่างกายร่างกายเราวางไว้ดีแล้วตั้งไว้ดีแล้วตัวตรงแล้วคอคอไม่พับแล้ว ทีนี้มันจะงอหรือจะพับก็เรื่องของมันไม่ต้องไปสนใจมันตามได้ถ้าเราภาวนาได้ดูลมหายใจได้บริกรรมพุโทโธได้ให้ทําอย่างนี้ไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวต่อไปความรู้สึกต่างๆมันก็จะหายไปเพราะใจมันจะเข้าลึกเข้าไปเรื่อยๆมันจะห่างจากร่างกายห่างจากความรู้สึกต่างๆจนในที่สุดมันก็จะสงบได้ถ้ามัวแต่คอยมา ตั้งร่างกายอยู่เรื่อยพอคิดว่าคอพับ ก, ก็กลับมาตั้งคอใหม่พอคิดว่าหลังงอ ก, ก็กลับมาขยับหลังใหม่มันก็ไม่ได้ไปไหนมันมัวแต่มานั่งขยับร่างกายไม่ได้ภาวนาไม่ได้กล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบผลจึงไม่เกิดคำถามข้อต่อไปจากพี่หมอแอนอรารดานะครับข้อที่หนึ่ง เมื่อเรานั่งสมาธิไปจนผ่านเวทนาความปวดไปได้หนึ่งรอบแล้วแต่จิตยังไม่รวมนะเจ้าคะก็ไม่ได้ไปบังคับจิตอะไรก็นั่งต่อไปพอเข้าสู่ชั่วโมงที่สองก็มีเวทนาปวดมากอีกแต่จิตก็ยังไม่รวมแต่จิตก็อยู่กับคำบริกรรมตลอดนะคะแล้วสเต็ปต่อไปหลังจากนี้จะต้องทำอย่างไรต่อไปก็บริกรรมต่อไป คำถามข้อที่สองนะครับเราต้องทำสมาธิถึงขั้นไหนเจ้าคะถึงจะยกจิตมาซ้อมพิจารณาทางด้านปัญญาได้ก็อย่างที่ได้แสดงไว้แล้วว่าต้องจิตรวมเป็นอย่างสัตว์แต่ว่ารู้เป็นอุเบกขา่านเรียกว่าคณิกะบ้างอัปปนาบ้างถ้ารวมชื่อประดียวประดาวชื่อขณะสองขณะเรียกว่าคณิกะ ถ้ารวมแล้วยาวห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีขึ้นไปอย่างนี้ก็เรียกว่าอัปปนาได้ดังนั้นเราต้องเบื้องต้นนี้เราจะได้แต่คณิกะจิตรวมลงปั๊บเราจะตื่นเต้นตกใจแล้วก็จะถอนออกมาแต่พอต่อไปเรารู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นมันพอครั้งต่อไปมันรวมเราก็จะประขับประคับประคองด้วยสติให้รู้เฉยๆไม่ตื่นเต้นตกใจไม่ดีอกดีใจ แล้วต่อไปมันก็จะสงบได้นานไปเรื่อยๆสงบได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะจะได้มีเป็นฐานกําลังของการเจริญปัญญาต่อไปเวลาจะเจริญปัญญานี้ต้องรอให้ออกจากความสงบก่อนขณะที่อยู่ในความสงบนี้ไม่ให้ไม่ให้พิจารณาอะไรทั้งนั้นให้นิ่งเฉยเฉยไม่ให้ใช้ความคิดจะใช้ความคิดก็ต่อเมื่อจิตไม่สามารถอยู่ในความนิ่งได้แล้วเริ่มออกมาคิดปรุงแต่ง จะอยู่ในเอิรียปบดใดก็ได้ถ้ายังนั่งอยู่อยากจะนั่งพิจารณาก็ได้ถ้าเมื่อยไม่อยากจะนั่งพิจารณานุเคลืนมาเดินพิจารณาก็ได้แล้วแต่ข้อที่สมนะครับแล้วที่บอกว่าปัญญาอบรมสมาธินั้นแต่ว่าใช้ปัญญาที่เป็นสัมมาทิฐิในทางโลกอบรมจิตให้มีสมาธิก่อนแล้วค่อยเกิดปัญญาทางมรรคใช่ไหมเจ้าคะ เช่นสมมติว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาเช่นเรื่องสามีเรื่องหมอไปเที่ยวไปที่ไหนมีหนูที่ไหนหรือเปล่า <c oughs> ก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าท่านหมอเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับขอไม่ได้หมอเป็นอนิจจังเขาอาจจะรักเราวันนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะไม่รักเราก็ได้เราทำอะไรไม่ได้ถ้าเราอยากใด้เขารักเราซื่อสัตย์กับเรากังวลกับเขาเราก็จะ ห่วงเขากินไม่ได้นอนไม่หลับกะสาบกระสายนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เพราะพิจารณาว่าเราห้ามเขาไม่ได้เราสั่งเขาไม่ได้เขาจะเป็นอะไรเป็นเรื่องของเขาถ้าเราเห็นด้วยใจรักเราก็ปล่อยไปพอปล่อยปั๊บจิตก็หายกังวลหายวุ่นกับเรื่องของหมอของสามีก็จะกลับมาภาวนาได้เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิไม่ได้สมาธิแบบรวมสมาธิเพื่อหยุดความฟุ้งซ่าน เพื่อที่จะได้กลับมาเป็นจิตที่ปกติเพื่อที่จะได้ภาวนาได้ถ้าจะเอาเป็นแบบสมาธิที่ใช้ปัญญารวมนี้ต้องเวลาที่นั่งแล้วเจอทุกขเวทนาแล้วใช้ปัญญาแยกกายแยกเวทนาแยากจิตให้ออกจากกันให้เห็นว่าทั้งสามนี้เป็นคนละเรื่องกันร่างกายเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาจิตเป็นผู้รู้ให้รู้เฉยๆอย่าไปยุ่งกับเวทนาอย่าไปยุ่งกับร่างกาย เพราะเราไปควบคุมบังคับไปสั่งเขาไม่ได้ถ้าไปอยากเราจะเกิดทุกข์ขึ้นมาอยากให้เวทนาหายอยากจะให้ร่างกายหายเจ็บก็จะเกิดสมุทัยคือความอยากความอยากให้หายพอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจถ้าเราเห็นว่าความทุกข์ใจนี้เป็นตัวที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายถ้าเราอยากจะให้ความทุกข์ใจนี้หายไปเราก็ต้องพิจารณาปล่อยวางร่างกายปล่อยวางเวทนา ให้เขาอยู่เจ็บร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปแต่ใจเราจะไม่ไปยุ่งกับเขาใจมีหน้าที่สักแต่ว่ารู้ก็รู้ไปเฉยๆพอใจพิจารณางี้แล้วก็หยุดความอยากได้ความทุกข์ใจก็หายไปดีไม่ดีความเจ็บก็หายไปด้วยก็มีเพราะจิตเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายร่างของเรื่องของเวทนาเนี่เรียกว่าปัญญาอรมสมาธิเหมือนกันะ แต่เป็นเป็นปัญญาขั้นวิปั ส, สนาแล้วปัน ญ, ญาปัญญาที่ใช้พิจารณาขันหา้าพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาอันนี้ก็เป็นปัญญาอวารวมสมาธิอีกแบบหนึง่งคำถามข้อต่อไปจากคุณบีนานะครับหากไม่อยากกลับมาเกิดอีกจะต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็ฟังเทศเท่เท่ทไว้วันนี้นะ <laughs> คำถามข้อต่อไปจากคุณจันศิรินะครับผู้ชายไม่แท้ใจมุ่งตรงต่อการปฏิบัติธรรมสามารถออกบวชได้หรือไม่คะถ้าไม่ได้เพราะเหตุใดถ้าบวชก็งจะต้องบวบวชบวช ด, ด้วยตนเองคือไม่สามารถที่จะบวชในในพระพุทธศาสนาได้เพราะว่าเป็นปัญหาเพราะว่าจะต้องอยู่ร่วมกัน ผู้ชายอยู่กับผู้ชายไม่มีปัญหาแต่ผู้หญิงที่เป็นผู้ชายแต่ที่มีความคิดเป็นผู้หญิงนี้อยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวก็อาจจะไปเกิดการทําผิดศีลได้ที่ท่านห้ามก็เพราะว่าไม่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นเพศนั้นเพศนี้แต่เนื่องจากว่าเพศหญิงกับเพศ ช, ชายนี้อยู่ใกล้กันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญมรรคผลนิพพานเพราะจะมีนิวรณ์คือกามาฉันทะเข้ามาเกี่ยวข้อง แล้วถ้าอยู่ใกล้กันมันอดมันอดที่จะแตะเนื้อต้องตัวกันไม่ได้พอแตะเนื้อต้องตัวก็จะเกิดการมารณมขึ้นมาดังนั้นผู้ที่ไม่ใช่เป็นชายแท้จึงบวชกับบวชไม่ได้แต่บวชแต่ปฏิบัติเองได้ก็บวชบวชบวชอยู่ตามลาพังของตนอย่างนี้ไม่ไม่ไปอยู่กับใครนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนผู้หญิงที่ไม่สามารถบวช บวชเป็นภิกษุณีได้ก็ต้องบวชแบบถือศีลแปดไปแล้วก็บำเพ็ญภาวนาตายตามลำพังของตนไปอันนี้ก็เลือกไปอยู่ในกลุ่มของแม่ชีก็อยู่ร่วมกันได้ปฏิบัติได้นี่คือสาเหตุเพราะว่าถ้าใจเป็นหญิงแล้วไปอยู่ไปอยู่ใกล้ผู้ชายเดี๋ยวก็อดอดไม่ได้อดที่จะชอบผู้ชายไม่ได้ แต่สมัยนี้พูดตามความจริงก็ไม่ค่อยเข้มงวดกวดกันเท่าไหร่พวกนมน้ำนี่มาบวชกันเยอะมีอยู่เยอะแต่สมัยนี้เขาไม่ได้บวชเพื่อพระนิพพานกันก็บวชเป็นอาชีพกันมากกว่าคำถามข้อต่อไปจากคุณเทพกวีนะครับที่กระผมปฏิบัติอยู่ทุกๆวันนี้ โดยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิโดยไม่มีครูบาอาจารย์เพียงแต่นึกเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจะผิดหรือถูกต้องประการใดหรือเปล่าครับและกระผมจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างครับเพื่อจะได้หลักใจที่มั่นคงและมีดวงตาเห็นธรรมเพื่อเป็นการปิดทางอบายภูมิครับผมคือการละลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ต้องละลึก แบบให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาไม่ใช่เพียงแต่ท่องพุทธโธธรร ม, มสังโคอย่างนี้มันจะไม่พอเพียงถ้าเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าก็ต้องเราเลิกถึงวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าการประพฤติตนของพระพุทธเจ้าว่าท่านปฏิบัติตนอย่างไรแล้วเราก็ดําเนินตามแนวทางที่ท่านปฏิบัติเช่นเดียวกับพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านดําเนินชีวิตอย่างไรเราต้องศึกษาชีวประวัติของท่าน แล้วเอามาเป็นแบบเป็นฉบับส่วนพระธรรมเราก็ต้องลึกถึงคําสอนว่าท่านสอนอะไรบ้างเช่นสอนให้ทํลลาบาุญละบาปชำระใจให้สะอาดบอยสุดสอนให้เจริญมรรคแสอนให้เจริญสติสมาธิปัญญานี่คือการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่เพียงแต่นึกถึงพุทธโธธรรมโมสังโฆ อาภะแล้วก็ระลึลกถึงพุโทโธธรรมูสังโฆอันนี้ก็จะไม่ได้อะไรมากนอกจากจะได้สมาธิได้เจริญสติเท่านั้นเองแต่ถ้าต้องการที่จะไปถึงพระนิพพานนี้จะต้องมีสมาทิฏิมีปัญญาจะต้องรู้จักวิถีวิถีชีวิตการดําเนินของพระพุทธเจ้าภาษาวกว่าท่านดําเนินอย่างไรจะต้องรู้จักคําสอนของท่านว่าท่านสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็น เป็นที่พึ่งเป็นผู้นำทางถ้ามีอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ก็ได้แต่การมีครูบาอาจารย์ที่บรรลุธรรมแล้วสั่งสอนนี่มันจะง่ายกว่าและเร็วกว่าเพราะว่าเหมือนกับมีคนป้อนให้เราดีกว่าที่เราจะต้องตัดอาหารกินเองทำอาหารเองมีพ่อมีแม่คอยป้อนอาหารให้ทำขบข้าวให้ถึงเวลาก็กินอย่างเดียวอย่างนี้มันง่ายกว่า แต่ถ้าไม่มีพ่อแม่คอยทำอาหารให้คอยป้อนให้ก็ต้องทำเองคำถามข้อต่อไปนะครับคู่บารมีเช่นพระนางพิมพาคู่บารมีของเจ้าชายสิทธัตถะเพราะเหตุใดจึงสามารถตามเกิดเป็นคู่บารมีของพระโพธิสัตว์ได้ทุกชาติในเมื่อเป็นมนุษย์ต้องอยู่ในกฎแห่งกรรมเกิดตามกรรมที่ทำ ท่านบอกว่าการที่เราจะไปไปเกิดไปเจอคู่บารมีของเราอย่างต่อเนื่องได้ก็ต้องทำบุญพร้อมๆกันทำบุญเท่าๆกันเหมือนรถสองคันถ้าขับรถไปด้วยกันถ้าความเร็วเท่ากันมันก็เกาะติดกันไปได้ถ้าคันหนึ่งเร็วกว่าคันหนึ่งช้ากว่าคันหนึ่งยางแตกมันก็ตามกันไม่ทันแสดงว่า ที่เขาเป็นคู่กันมาเพราะเขาทาบุญร่วมกันมาตลอดทาพร้อมๆกันทำเท่าๆกันเวลาตายก็ตายพร้อมกันเวลาเกิดก็เกิดพร้อมๆกันคาถามข้อต่อไปจากคุณภาสกรนะครับผมมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาจะเรียนถามพระอาจารย์เพื่อขอความเมตตาชี้แนะดังนี้ขอรับ ข้อที่หนึ่งการภาวนาจนเกิดปรากฏการทางนิมิตให้เห็นภาพอวัยวะภายในเช่นกระดูกหน้าอกซี่โครงหรือเชิงการรวมถึงเส้นผมในบางครั้งนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติมาถูกทางหรือเปล่าขอรับเกิดการภาวนาแล้วปรากฏนิมิตต่างๆขึ้นมานี่มันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาและอยู่จริตของแต่ละคน บางคนภาวนาแล้วก็ไม่มีนิมิตอะไรปรากฏให้เห็นบางคนก็มีนิมิต ท, ที่มีทั้งหลายมีลิมิตหลายรูปแบบด้วยกันถ้าเป็นนิมิต ท, ที่ไม่เกี่ยวกับทางาทางธรรมะก็ไม่ควรที่จะให้ความสนใจเช่นเห็นภาพสวยๆงามๆได้ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่วิจิตพิสดารมีเรื่องราวเหตุาหการณ์ต่างๆที่ทําให้เพลิดเพลินเกิดความสุข นิมิตเหล่านี้มันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญวิปัสสนาเราต้องการนิมิต ท, ที่เป็นประโยชน์ในการเจริญวิปัสสนาเช่นถ้าเห็นร่างกายในในสภาพที่ไม่น่าดูเช่นเห็นอสุภะเห็นร่างกายนอนตายเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายถ้าเห็นภาพเหล่านี้เราก็ควรที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้คือพยายามเจริญให้มาก ให้มันดูติดตาติดใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าถ้าเป็นภาพของเราร่างกายของเราหรือร่างกายของบุคคลที่เรารักเราหลงเราเห็นความความไม่เที่ยงของเขาเห็นความตายของเขาเห็นความตายของเราเห็นความไม่สวยงามของร่างกายถ้าเห็นอย่างนี้เป็นเป็นนิมิตที่ดีเป็นนิมิตที่จะทําให้อเอื้อต่อการเจริญวิปัสสนาเอื้อต่อการบรรลุธรรมได้ แต่ถ้าเป็นนิมิต ท, ที่แบบว่าได้ไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเห็นสิ่งที่สวยๆงามๆได้ไปดืม่มได้ไปรับประทานได้ไปมีได้ไปอยู่กับแฟนอย่างงุ่นอย่างนี้ถ้านิมิตเหล่านี้ไม่ดีเ <c oughs> พราะมันจะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกิเลสมันจะทําให้เราติดเราต้องดูนิมิต ท, ที่จะทําให้เราเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความสลดสังเวชเกิดความที่อยากจะ ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจยังก็มีนิมิตทั้งที่ดีและไม่ดีท่านเปรียบเที่ ว, ว่านิมิตนี้ก็เป็นเหมือนกับมีดมีดถ้าคนรู้จักใช้ก็เอามาทําประโยชน์ได้เอามาตัดตัดไม้ทํากับข้าวตัดผักหั่นเนื้อทําอะไรได้แต่ถ้าคนที่ใช้มีดไม่เป็นก็เอามาบาดหรือเอามาทิ่มแทงตัวเองได้ ดังนั้นนิมิตที่เกิดขึ้นเวลาที่นั่งภาวนายังเป็นนิมิตที่มีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะก็อย่าไปสนใจให้ภาวนาต่อเพื่อที่ให้ใจเข้าสู่ความสงบความว่างจะดีกว่าถ้าเราเกาะติดอยู่กับนิมิตแล้วเราก็อาจจะหลงทางได้ข้อที่สองพระอาจารย์ได้ตอบไปแล้วนะครับแต่ว่าจะถามนะครับเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้เราควรทาอย่างไร เห็นนิมิตเหล่านี้ใช่ไหมก็ได้ได้ชี้แจงไว้แล้วถ้าเป็นนิมิตที่เอื้อต่อการเจริญวิปัสสนาก็เจริญต่อไปถ้าเป็นนิมิตที่เอื้อต่อการเจริญกิเลสก็ให้รีบตัดไปอย่าไปสนใจคําถามข้อต่อไปจากคุณสุริยานะครับผมสวดมนต์ทุกคืนแล้วก็แผ่เมตตาให้แม่ที่เสียชีวิตไปบุญส่วนที่สวดมนต์ ท่านจะได้บุญหรือเปล่าครับบุญอยู่ที่นี้ต้องเป็นบุญที่เกิดจากการทําทานให้ทานไปเพราะผู้ที่รอรับทานนี้รอบุญรับบุญนี่ก็รอรับบุญที่เกิดจากการให้ทานเท่งนั้นเพราะถาสถานภาพของจิตใจเขาเขาต้องการต้องการของของใช้ไม่สอยต้องการเสื้อผ้าต้องการอาหารที่เกิดจากการทําบุญทําทานของเราส่วนการแผ่เมตตาแผ่ความสงบนี้ มันไม่ได้อยู่ฐานะที่จะแผ่ไปได้ผู้รับก็ไม่มีฐานะที่จะรับได้แม้แต่ขณะมีชีวิตบอกให้นั่งสมาธิยังไม่นั่งเลยเนีอยอยากจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวองเงี้ <g ül> ก็ต้องหากว๋วยเตี๋ยวให้เขากินไงเวลาเขาตายไปแล้วก็ซื้อกว๋วยเตี๋ยวถวายพระและะ้วก็ส่งไปคำถามข้อต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับ เนื่องด้วยมีผู้บวชรูปหนึ่งชอบพาโยมไปปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆไปตอนกลางคืนแต่ผู้บวชรูปนั้นก็จะนำของเส้นไหว้ซึ่งบอกว่าใช้บวงสรวงเทวดาและมีพิธีกรรมแปลกๆพอตอนที่มี ผู้นั่งภาวนาบางคนส่งเสียงร้องแปลกๆซึ่งหนูคิดว่ามันไม่ใช่ธรรมะแท้เลยแล้วผู้บวดรูปนั้นค่อนข้างมีอิทธิพลมากพอสมควรแต่เป็นผู้บวชที่รักษาศีลไม่บริสุทธิ์ซึ่งได้ยินมาว่าฉันอาหารเย็นและขับรถด้วยเจ้าค่ะซึ่งแบบที่ผู้บวชนี้พาปฏิบัติพระอาจารย์ว่าควรหรือไม่เจ้าคะแล้วทาไมยังมีญาติโยมศรัทธาอยู่ อันนี้อันนี้ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์คำถามข้อต่อไปจากคุณบูซัมออมนะครับการขัดขวางให้ผู้อื่นฟังธรรมในขณะที่ผู้ฟังธรรมกำลังตั้งใจฟังธรรมอยู่อย่างตั้งใจถือเป็นบาปกรรมหรือไม่อย่างไรเจ้าคะ และผู้ฟังทมนั้นควรจาัด ก, การกับอารมณ์ของตนเองในตอนนั้นอย่างไรคือถ้าผู้ทมไม่ได้ทาด้วยเจตนาแต่ทำด้วยเพราะความไม่รู้อันนี้ก็ไม่เป็นบาปเพียงแต่ว่าทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ที่กำลังตั้งใจจะฟังเพราะจะทำให้เสียสมาธิในการฟังอาจะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรจากการฟังดังนั้นเวลาการฟังจึงควรจะ ศึกษาวิธีการฟังเทศฟังธรรมให้ถูกต้องก่อนก่อนที่เราจะไปฟังท่านก็สอนแล้วว่าต้องให้มีความสงบกายสงบวาจาและสงบใจนั่งกายต้องนั่งเฉยๆไม่ไปทำอะไรวาจาก็ต้องไม่คูดคุยกันใจก็ต้องไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจติดจดจ่ออยูก่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสเท่านั้นถึงจะฟังแล้วจะได้รับประโยชน์ ถ้าผู้ที่ไม่รู้เรื่องผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็อาจจะขอร้องและพูดดีๆก็ได้ว่าขอความโกโรุณาไปนั่งข้างนอกได้ไหมขณะนี้กำลังเป็นเวลาที่ต้องการความสงบความเงียบเพื่อการฟังเทศฟังธรรมถ้าพูดไม่ได้ก็คิดว่าทำใจแผ่เมตตาไปก็แล้วกันเี๋ยว่าวันนี้ไม่ใช่เป็นวันของเราแล้วกัน <c oughs> เป็นวันที่เราต้องจเจริญเมตตาทำแทนที่จะมาจะเจริญ สามาทิฏฐิก็คิดว่าเป็นเวลาที่เราจะต้องเจริญเมตตาทำแทนก็เจริญเมตตาไปฟังได้เท่าไหร่ก็โอเคท่านั้นแต่อย่าไปทำให้เกิดเรื่องเกิดเราเกิดมีเวรมีกรรมกันจะได้ไม่คุ้มเสียคืออย่าไปพูดทำให้เขาโกรธเราเกียดเราขึ้นมาอาฆาตพรยายบาลเราคำถามข้อต่อไปจากคุณชุติมานะครับลูกชายนอนดึก ถูกผีอำทุกคืนล่าสุดถูกดึงตกเตียง<ม>คำถามเป็นความประพฤติไม่ดีของเด็กใช่หรือไม่เจ้าคะเป็นวิบากของเขานะวิบากกรรมของเขาเขาคงไปทำอะไรในอดีตไว้มากมันฝังอยู่ในจิต <c oughs> พอเวลานอนหลับมันก็จะปรากฏขึ้นมาท่าน <c oughs> ถึงบอกว่าถ้าทำความดีแผ่เมตตา ทำเจริญเมตตาเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะไม่มีผีอำเวลาตื่นหรือหลับก็จะมีความสุขหลายคนที่ทำบาปคนที่ไม่มีความเมตตาก็จะเป็นทางตรงข้ามตื่นก็ไม่ตื่นก็ไม่สุขหลับก็ไม่สุขนอนหลับก็ฝันร้ายอันนี้เป็นเรื่องของวิบากจะแก้ก็คือต้องกลับมาเจริญเมตตาให้มากๆคิดดีพูดดีทำดี ต่อผู้อื่นแล้วต่อไปไอ้วิบากเก่าที่มันทําไว้มันหมดมันก็จะหายไปแล้วต่อไปก็จะไม่มีปัญหาแบบนี้ตามมาถ้ามีถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เราจะสอนได้ก็สอนให้เขามีสติแล้วก็ทําใจเป็นอุเบกขารับรู้ไปว่ามันเป็นวิบากของเราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวอะไรไปกับมันรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปพิจณามันลงไปที่ตายรักให้หมด เพราะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้มันจะเกิดก็เกิดเหมือนฟ้าร้องเมื่อกี้มันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วมันก็หายไปถ้าเราพยายามไม่ให้มันเกิดเราก็จะเครียรขึ้นมาเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรคําถามข้อสุดท้ายประจําวันนี้นะครับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วไม่มีทรัพย์จะเลี้ยงเกินกําลังตัวเองแล้วเรา จะเลี้ยลายเงินคนอื่นมาซื้ออาหารเลี้ยงเหมาะสมไหมครับหรือควรให้คนอื่นที่มีกำลังเอาไปเลี้ยงถ้าเราถ้าเราไม่มีกำลังก็ไม่ควรที่จะ <c oughs> ทำอะไรที่เราทำไม่ได้การเลรี้ยายนี้มันอาจจะเป็นการไปรบกวนผู้อื่นแต่ถ้าเป็นการเ ป, เป็นการให้มาโดยที่เราไม่ได้ไปเลี้ยายนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นคนอื่นก็เห็นว่าเราทำความดีเราเลี้ยงสัต แล้วเขาอยากจะสนับสนุนเราเ้าให้เงินทองกับเรามาถ้าเป็นอย่างนี้ <dachte. S 1> เงินทองมาโดยที่เราไม่ไปขอไปเรื่อยๆก็ไม่ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าเราไปเรีื่อยนี้มันก็ได้ไม่คุ้มเสียเราได้ความเมตตาเลี้ยงสัตว์แต่ในขนาดเดียวกันแล้วก็ไปเบียดเบียนผู้อื่นไปขอเงินขอทองของผู้อื่อนขขเขาเดินทางเขาให้เขากลับขเขาอาจจะเบื่อนะเบื่อเบื่อที่หน้าเราเห็นหน้าที่รายก็ขอเรื่อยต่อไปอก็อาจจะไม่อยากจะเจอเราก็ได้ นั้นถ้าเราทำไม่ได้ก็ควรจะปล่อยไปหรือว่ายกไปให้คนอื่นเขาเลี้ยงคนที่เขามีปัญญาจะเลี้ยงก็ปล่อยเขาเลี้ยงไปเราก็ต้องเจริญอุเบกขาไปว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนทำกรรมอันใดไว้ก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นก็ปล่อยเขาไปไปตามบุญตามกรรมอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายดีจะได้หมดกรรมจะ <c oughs> <c oughs> ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์สที หมดแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับมีคําถามของตัวเองครับอาจารย์อาจารย์ครับช่วงนี้กําลังอหลงกับวิชาแปลกๆครับอาจารย์เพราะว่าตัวเองไปสามารถนําคนอื่นไปเที่ยวได้ครับอาจารย์แล้วมันแล้วได้อะไรเลยมันดับกิเลสได้ป่ามันไม่ได้ครับแต่ว่ามันกำลังเป็นความแปลกใหม่มันก็ให้หลงครับอาจารย์มันก็เป็นเหมือนทัวร์ดีๆนี่เองเป็นทัวร์ไกด์แล้วก็พาคนก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ พีแต่ว่าเราอาจจะพาไปเที่ยวทางจิตตวิญญาณแทนที่จะพาไปทางร่างกายแต่มันก็ได้ผลเท่ากันก็คือไม่ได้อะไรมากนักสำหรับตัวเราเองคือไม่ได้ลดละกิเลสตัณหาไม่ได้ตัดพบตัดชาติให้น้อยลงไม่ได้ลดความทุกข์ความวุ่นวายใจให้น้อยลงแต่อย่างใดนั่นก็จะเสียเวลาเปล่าๆเว ล, า, เ ล, า, เลาที่ที่มีคุณค่าอย่างนี้ก็จะค่อยๆหมดไป เหมือนกับไก่ได้พลอยเขียดทิ้งเขีย่ยทิ้งเอาแต่เอาแต่ตัวไส้เดือนอันนี้ก็เหมือนกันการกระทาอะไรต่างๆถ้าไม่เป็นการกระทำเพื่อตัดพบตัดชาติไม่ได้การทำตามที่พู้เจ้าทรงสั่งสอนนี้ถือว่าเป็นการกระทำที่เสียเวลาต่อไ ป, ปขอให้เอาไปคิดไว้ก็แล้วกันเำแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด